ท่านบอกว่าทํำใจให้ดีๆเขาไว้อะไรก็ตามใครจะด่าจะว่าจะแ่มีอินถาทํำใจให้ดีเขาไว้ อ, อันที่สามท่านบอกว่าทัางสมองทัางดีมันก็เปื่อนใจเหมือนกันเหมือนแก้วอับปไซอับปไซของสปกปกมันก็เหม็นอับปไซน้ําชากาแฟกินได้แต่เวลาจะใช้เยอะจริง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 โดยที่จะไม่จัดการมันความคิดและอารมณ์ต่างๆถ้าปล่อยมันไหลไปมันก็พาจิตเราดั่งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างตัวนี้สร้างยังไงสร้างเราอัดสร้างแล้ว อ, อัดสร้างลออแล้วอัดการสร้างเขื่อนมีสองอย่างหนึเขื่อนดินอัดลงไปแบบเขื่อนเศรษฐกิจสองเขื่อนซีเมนแบบเขื่อนผู้เยียบผลก็มีไส้เด็กต้องมีการวางรากฐานต้องไปตอกเสาเข็มลงลึก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 hurt feeling be aware of that how to transform such a hateful feeling to be inside wisdom would be important point เพราะนั้นเจะเห็นว่ า, าการที่เรามีมีสติในการเปลี่ยนเวทนาเพราะนั้นเวทนามันเกิดตลอดนะง่วงเ ห, หนอยู่น้อยๆเห็นไหมหนุกลืมตาขึ้นนี่เอเอเกิดได้สติลืมตากว้างๆหายใจลึกๆมันจะหายง่วงเออเสร็จแล้ว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 อาชีว่าพหนุ่มฉันเนี่ยเพิ่งบวชใหม่เพิ่งรู้ทมใหม่คงจะตอบปัญหาอะไรละเอียดไม่ได้หรอกโอ้ไม่เป็นไรท่านตอบสั้นก็ได้วางั้นนะอ๋อโอเคตอบสั้นแลวก็เยธรรมมาให้เพรว่าเตสั้งให้ตุ้งตะทาคาโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังมหวีมหสโ่นได้ดวงตาเห็นธรรมบรลุะสดาวันเลยโ้ไวมากนี่มีใครบ ร, รู้วุวานไหนยังไม่มีเนะย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 ไปเด็ดให้ไอ้ดอกยญ้ามาดอกนึงเด็ดมาเออเด็ดมากก็แล้วกันนะมาปันปานะปาป่นหูเล่นอปลูกพระศาสนะปลูกพระศาสตรปั่นหูเอาตื่นตัวอ้าวไปนั่งปฏิบัติต่ อ, อพุทธเจ้าท่านก็เดินจงกลมห่างๆด้วนะแล้าก็นั่งสร้างจังหวะไม่รูสร้างจังหวะหรือเปล่านะอสร้างไปสรงมาแล้อ้าวง่วงอีแล้วหนะลับเอาพุทธเจ้าก็แอบออกมาเอาตื่นตื่นตื่นตื่นเอาไปไปล้างหน้าะัน ลุกไปล้างหน้าเอาทำต่อไปแล้วก็เดินกลากุ่มสักพักเอ้าหับอีแล้วอ่าลับไปแล้วเริ่เข้าไปตื่นเริ่มจำมุลอะไรได้บ้างเนี่ยจำได้เาหนุมสวงนะเอาว่าดังเยี่ยวดังๆนมูสวตราฮาตูสมาสวาดังๆเอาตื่นอีกอ้าท่านก็แอไปสักพักหนเสียงค่อยลงค่อยลงค่อยลงเอ้าหลับอีกแล้ว่านก็ออกมาอีกนะอ้างั้นเธอลุกไปเดินนะ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 ท่านสาริบุตระบวชแล้วไปไหนบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญอยู่ที่ถ้ำก็ยังไม่บรรลุเจ็ดวันก็กลับมาพระพุทธเจ้าบอกว่ า, างั้นก็ทาอยู่วันฉันนี่แหละไม่ต้องไปไหนละ่ะแต่ว่าปรากฏว่าสองหนุ่มที่หายไปลุงขุงแกเนี่ยชื่อทีาาคานะคะทีาาคานะคะเป็นคนเล็บยาวทีคานาคานะอาณาจักอากิเวสนกเป็นลุงของพระสาริบุตรตามหา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 อันนั้นไม่ใช่สัจธรรมนะทีครันนะคะอันนั้นเป็นเวทนาอั น, นันไม่ใช่ปัญญาเป็นเวทนามีโยงกับประเด็นเดิมนะที่หานเมืม่อกี้ผ่านไปนะ่โยงมาประเด็นเดิมอย่าทิ้งประเด็นว่าอันนั้นคือเวทนาเป็นความรู้สึก อ, ะอ่ะถ้าหากว่าเธอนั่งแบบนี้เธอพอใจได้นานไหมเดี๋ยวเธอก็พลิกเมื่อกี้เธพอใจท่านี้ก็พลิกท่าใหม่เดี๋ก็พอใจนิดเดียวเดก็พลิกอีกถ้าหากว่ามันพอใจมันเที่ยงมันก็ต้องไปพลิกสิไอ้พอใจก็ไม่เที่ยงใช่ไหม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 Everybody has such a painful feeling or unhappy feeling all the time, but how can we transform it to be the insight? So we need to have the energy of mindfulness, energy of self-awareness, energy of self-observation, just o b s e r v i and t r a n s f o r m i t Then ah. the n t we will do something to give us more a w a n s s m o e wisdom, and m o e concentration.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 สามารถพัฒนานามเนี่ยให้มัาอยู่เหนือกฎอนิจจังทุกขังหน้าตาได้แต่รูปทุกรูปนะตั้งแต่อานุเล็กๆเนี่ยจนมาถึงรูปที่ใหญ่ที่สุดเป็นไปตามกฎนี้ทั้งหมดกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่ว่าในสิ่ของเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามถ้าหากว่าในใจของเรามีมีรูปติดอยู่ความคิดเรียกว่าความคิดต่อเมื่อไหร่ให้มีตัวรู้เฉยๆไม่มีความคิดปนอยู่ด้วยตรงนั้นเป็นนามล้วนๆเรียกว่าปรามัด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 สีสส่จังหวะเสมอไปพอจิตเรามันไม่มฟูงม่แต่งแล้วก็ทกําบาๆสบายในช่วงไหนที่มันรู้ว่มันจัดก็ทำเป็นแรงก็ได้ต่อยแรงทุกแรงแรงก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนแบบเท่านั้นแต่ส่วนเวลามันมีปัญหาข้างในเนี่ยเราจะต้องใช้สติในหลายรูปแบบจะลูกขึ้นยืนสร้างจังหวะก็ได้จะนั่งแบบนี้ก็ได้เวลามันหนักขึ้นนั่งแบบนี้ก็ได้จะยืนทํา ก, ก็ได้เหยียดขาทําก็ได้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 ผ่านมาแล้วหกสิบข้อพิเศษแล้วหลวงพเพราะนั่นก็ได้เห็นทั้งสองยุคเลยดังนั้นโชคดีที่พวกเรามีเวลาตัวนี้แล้วก็คนสมัยให ม, มน่นิเวทนาค่อนข้าง new age new generation have very sensitive to create อะไรจะเอาแต่เพลงฟูดฟรี So if they don't have the energy of mind t h e y s not strong enough cannot transform the painful feeling to be in s i d e r h i s e so we have the maybe uh, lucky or maybe, maybe unlucky about that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 วันนี้เดินทางไปเชโยภูมิผู้นี้เตรียมตัวอยู่ที่เชโยภูมิวันหนึ่งก็ต้องไปซักขา้าโปงโปง่ปงโปง่ปงผ้าเพราะวันที่สิบจะไปเขาใหญ่อั น, นกลุม่มไฮโซจากกรุงเทพนะที่เขาไปเอารีสร์ที่เขาใหญ่ก็เลยจําเป็นต้องไปทําหน้าที่แบบนี้หน้าที่ของพอ่อทั้งตลอดทั้งสีงไม่มีอะไรคือจัดดิทีสแล้วก็บอกแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นการนําคนออกจากทุกข์แต่ว่าเขาทําเรื่องนคนทําคนอื่นทําหมดแล้วไม่ยากแต่เรื่องนี้ยากมากอ่า